สำหรับวันนี้ก็อยากขอนำมาบุปกรรมของพระอาคสาวกทั้งสองมาเล่าสู่กันฟังเพื่อการศึกษาขอย้อนต้นสักนิดหนึ่งจากเมื่อวานนี้ตามพมบาลีที่กล่าวว่าพิสุทธิ์นหลายทูลถามว่าก็พระอาคสาวกทั้งสองได้ทํากรรมอะไรไว้พระเจ้าค่ะ นี่เป็นเรื่องที่บรรดาพระสงค์เขานินทาพระพุทธเจ้ากันว่าพระพุทธเจ้าทรงตั้งอักสาวกท่องสองนี้เพื่อเห็นกันหน้าบุคคลในความจริงพวกเธอกล่าวนั้นมันมีเหตุผลไม่พอเพราะว่าถ้าพระอักสาวกท่องสองนี้รู้จักกับพระพุทธเจ้ามาก่อน หรือว่ามีความสนิทสนมชิดเชื่อซึ่งกันและกันยืน่นโยนสงเคราะ์ซึ่งกันและกันมาก่อนอันนี้ก็ควรจะนินทาแต่นความจริงพระพุทธเจ้ากับพระอา卡ส า, าวกทั้งสองนี้ยังไม่เคยรู้จักกันมาเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่งตั้งเธอก็นินทาเสร็จแล้วแปลว่าองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วก็ไม่สงโกรธกลับมีพระมาหากรุณาที่คุณ เล่าเรื่องราวสู่กันฟังตามเรื่องของอดีตนี่พวกเราก็จำไว้ว่าในฐานะเป็นสาวอกขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาที่กล่าวนามตนเองว่าเป็นสาวอกขององค์สมเด็จพระสัมมาสมศาศาศาศาัมพุทธเจ้าเรื่องการนินทาว่าร้ายคอยถือว่าเป็นเรื่องาเรื่องธรรมดา ไม่มีใครในโลกนี้ที่เกิดมาจะพ้นการนินทาเพราะว่าคนเลวที่อย่างหนึง่งย่อมไม่มองความดีของคนทั้งหลาย <c oughs> <c oughs> เมื่อถูกนินทาว่าร้ายขึ้นมามืไร <c oughs> ก็นึกถึงองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสดาว่ามีพระมหากรุณาที่คุณเพียงใดก็ตามที <c oughs> ก็ยังไม่สามารถจะพ้นคนนินทาประเภทนี้ได้ ฟังเรื่องราวกันต่อไปวันนี้ตาไม่ค่อยดีองสมเด็จพระจินาสีจึงทรงตรสตัสว่าอากาักษาวกทั้งสองทำความปรารถนาไว้เพื่อเป็นอกักษาวกแต่นกล่าวว่าจริงอยู่ในที่สุดจาสงไขยิง่งไดแสงกลับนี้ไปพระสารีบุตรเกิดเป็นพรามนริคุณพรามมหาศาลมีนามว่า สรลามานบพระมุคคลานะเกิดในเะด็กูลกหบดีมหาศาลมีนามว่าสิริวัฒกุมพีพุทุมพีมานบจงสองนั้นได้เป็นสหาหเล่นฝุ่นมาด้วยกันสรลามานบโดยการที่ล่วงไปแห่งบีดาหมายถึงว่าบีดาตายแล้วในครอบครองทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก อันเป็นมรดกของเซลกุลในวันหนึ่งอยู่ในที่รลับตายคิดว่ารำเราย่อมรู้อัตภาพในโลกนี้เท่านั้นหารู้จักอัตภาพในโลกหน้าใหม่หมายความว่าชาตินี้นเราเกิดเป็นคนชาติหน้าเราจะเกิดเป็นอะไรนี่เราไม่รู้อันธรรมดาความตายของสัตว์เกิดแล้ว ย่อมเป็นของเที่ยงหมายได้ว่าสัตว์ทุกคนทุกตนที่เกิดมาแล้วในโลกต้องตายเหมือนกันหมดไม่มีใครหนีได้ควรที่เราจะบวชเป็นบรรพชิตยอย่างใดอย่างหนึ่งทำการแสวงหาโมกะธรรมคำว่าโมกะธรรมแปลว่าธรรมเป็นเครื่องพ้นแห่งความตายและสรทามานพดันเข้าไปหาสหายและพูดว่าสีวัฒนะพูดสหาย ข้าวิเจ้าจากบวชแสวงหาหมโมคตธรรมท่านจากบวชกับเราหรือไม่หรือว่าไม่อาจจะบวชท่านสิริวายก็ตอบว่าข้าวิเจ้าจักไม่อาจเสียหายท่านบวชคนเดียวเถิดแต่ถ้ามานพตันก็คิดว่าธรรมดาผู้ไปสู่ปราโลกพาเสียหายระญยะมิตรไปด้วยได้ไม่มี หมายความว่าคนเรานาจะรักกันขนาดไหนก็ตามเวลาที่ตายไม่สามารถจะพาใครเขาตายไปพร้อมกันคนที่บอกว่ารักเรามากที่สุดเนี่ยความจริงเวลาเราตายเขาไม่ตายไปด้วยเราตายเขาเราคนเดียวท่านคิดต่อไปว่ากรรมที่ตนทำแล้วย่อมเป็นของตนเองดังนั้นธนสาร ะ, ะท่นสารพระมานบ จึงได้เปิดเรื่องคลังแก้วออกให้ทานเป็นการใหญ่แก่คนกำพร้าคนเดินทางและวันละพิภพคือคนจนคนยากจนเข็นใจทั้งหลายแล้วเข้าไปสู่เชิงเขาบวชเป็นเรือสรีมันได้ชนนั้นหลายที่มีความรักในท่านบวชตามทันสระานั้นด้วยการอย่างนี้คือหนึ่ง คือหนึ่งคนสองคนสามคนจนกระทั่งมีชะดินประมาณเจ็ดหมืนสี่พันคนสรธาชะดินและสรธาดาบทท่านใช้นามฉาดินนะสรธาชะดินนั้นธรรมพิญญาห้าและสมาบัตแปดให้เกิดแล้วไม่น่าคิดนะครับน่าคิดว่าท่านบทเป็นชะดินฝึกฝนตนเอง สามารถทำพิญญาอภิญญาห้าระสมาบัตแปดให้เกิดขึ้นการพิญญาห้านี่ก็คื อ, อพิญญาหกเว้นอาสะวัคยายานโดยยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าเรียกภิญญาหกไม่ได้ต้องแปลพิญญาห้าเมื่อท่านทำพิญญาห้าและสมาบัตแปดให้เกิดแล้วบอกกระสินบริกรรมแก่แชดินทั้งหลายเหล่านั้น บรรดาชะ ด, ดินถึงเป็นอุสิทชนหลายทั้งหมดก็ทำมาพิญญาห้าละสมาบัตรแปดให้เกิดขึ้นป็นกล่าวต่อไปว่าในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าสมพัตนามว่าโนมทัศสีท่ะเด็ดรุมบัตรขึ้นแล้วในโลกในนครที่มีชื่อว่าจันทวดีมีพระมหากันสัตว์ทรงพระนามว่า ยสะวันตะเป็นพระราชวิดาพระราชเทวีมีนามว่ายโสธราเป็นพระราชมารดามีไม้รกฟ้าเป็นที่ตัดเซลูมีต้นไม้เดิมเขาเรียกว่าต้นไม้รกฟ้าแต่พอตัดเซลูที่ตรงนั้นเขาก็เลยเรียกว่าต้นโพไม่กันโพแปลว่ารู้ <c oughs> มีพระอาคัสาวกท่างสองชื่อนิสสะหนึ่งและชื่อนโนมะหนึ่งอุปทาชืววาวาา่อว่าวรุณะอัครสาวิกาสองนามว่าอัครส า, าวิกาหมายความว่าท่านพิสุนีคือพระผู้หญิงนะ่ะเป็นอาคัสาวก้ายฝามีเหมือนกันมีนามว่าสุนทราหนึ่งและสุมนาหนึ่ง พระชนมายุของพระองค์มีถึงหนึ่งถึงแสนปีพระสิรีระนั้นสูงได้ห้าสิบแปดศอกคำว่าห้าสิบแปดศอกแต่เป็นห้าสิบแปดศอกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราในเวลานั้นสูงเท่าแปดศอกของคนในสมัยนั้นถ้าในสมัยนี้ก็ควรจะสูงแปดวาเทียบกันนะ แต่ต่าว่าพระพุทธเจ้าองค์ที่กล่าวในมณีที่มีพระนามว่าอโนมมัตสีโรงสูงถึงห้าสิบแปดศอกของพระพุทธเจ้าของเราเพราะเป็นต้นกับคนมีบุญมากอายุจึงมากเราโทษปานาธิบาทไม่มีมีแต่คนดีเยอะไม่มีคนเลวคนจะมาจากอบายภูมิอย่าสมัยนี้มากพระสมีแห่งพระ สรีระแผ่ไปได้ทิบสองโยต์คือความสว่างของทัศมีพระพระองค์มีไปได้ทิบสองโยต์มีพิสุแสนหนึ่งเป็นบริวารวันหนึ่งในเวลาใกล้รุง่งพระพุทธเจ้าสมบนามว่าอนมมัสสีนั้นประเด็จออกจาก อ, ออกจากมหากรุณาสมาบัติหมายความมาตอนเช้ามดืด พระพุทธเจ้าย่อมเข้าสมาบัติหนึ่งที่เราเรียกกันว่าพระพุทธญาณเป็นญาณเฉพาะของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะพระสาวกพระอักขสาวกไม่สามารถจะทําได้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เวลาเช้ามืดทําอย่างนี้เหมือนกันหมดทรงพิจารณาดูสัตว์ในโลกอยู่แล้วก็ทอดเป็นเนตรเห็นสราระธรรมหมแล้ว ทรงมีพระพุทธดำริว่าเพราะเราไปสู่สำนักของสรทดาบทในวันนี้จะเป็นปัจจัยคำว่าเป็นปัจจัยหมายความเป็นเที่ยาศัยโดยธรรมของเธอได้เพราะธรรมเทศนาจากมีคุณใหญ่และสรทดาบทนั้นจะปรารถนาตำแหน่งอักสาวกสิริวัฒนา สิริวัฒนกุฎุมพีผู้สหายดาบทนั้นจากปราธนาตำแหน่งอาคาสาวกที่สองหมายความอาคาสาวกเบื้องซ้ายทั้งในการจบเทสนาชะดินเจ็ดหมื่นสี่พันบริวารของดาบทนั้นจากบรรลุอรหันต์เราควรไปที่นั้นเมื่อทรงดำดิดังนี้แล้วจะได้ทรงถือบาทอจีวรของพระองค์ ไม่ทรงตัดเรียกใครๆอื่นไปพระองค์เดียวเสด็จไปแต่พระองค์เดียวเหมือนพระยาราชสีเมื่ออันเตวาสิกเทงหลายเราสรทดาบดไปแล้วเพื่อต้องการพลาผลคำว่าพลาผลก็ไปหาผลไม้ทรงอดีฐานว่าขอสรทดาบดจงทราบความที่เราเป็นพระพุทใเจา้า เมื่อสรรท์ธาดาบทเห็นอยู่นั่นแหละแล้วก็ทรงรเสด็จลงจากอากาศพระทับยืนบนแผ่นดินแล้วขณะนั้นท่านสรรทาธาดาบทเห็นพระพุทธานุภาพและความสาเร็จแห่งพระสรีระสอบสวนมนทรสำหรับทําลายลักษณะนี่ก็ความจริงท่านได้พิญญาเนี่ยก็ออย่อมจะมีอะไรแปลก อภิญญานี่ว่ารู้พิเศษมีลักษณะพิเศษและได้สมาบัติแปดย่อมมีความรอบคอบมีความรู้มากเมื่อดูน ต, ตำลายลักษณะแล้วก็ทราบได้ว่าอันผู้ประกอบด้วยลักษณะอย่างนี้เมื่ออยู่ในถ้ำกลางเรือนย่อมเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อออกบวชก็จะต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีกิเลสเครื่องมงบางอันเปิดแล้วในโลกเขาเปิดแล้วมันก็หมดไปบุรุษผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยจึงทำการต้อนรับถวายบังคมได้เป็นจางขบดิษได้จัดอาถนะถวายแล้วพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่จัดไว้แม้สทานดาบด ก็ถืออัษนะอันตนคนหมายควาว่านั่งในที่ตนเห็นว่าสมควรคือต่ำกว่าในส่วนข้างหนึ่งในสมัยนั้นบรรดาชดินเจ็ดหมื่นสี่พันถือผลไม้ต่างๆที่ปราณีตอันมีรถอโอชะมาถึงสำนักของอาจารย์แล้วแลดูอัษนาที่พระพุทธเจ้าประทับและอาจารย์นั่งแล้วจึงได้พูดกันว่า ท่าอาจารย์พวกผมเที่ยวไปด้วยจะเข้าใจว่าในโลกนี้ผู้เป็นใหญ่กว่าอาจารย์ย่อมไม่มีก็บุรุษผู้นี้เห็นจะเป็นใหญ่กว่าท่าอาจารย์ระกะมังครับท่านเซท่านดาวเวก็ตอบว่าพ่อทั้งหลายพวกเจ้าผู้อะไรพวกเจ้าปรารถนาเพื่อทําเขาสินเนรุซึ่งสูงหกสิบแปดแสนโยต ให้เสมอกับเมล็ดพันธุ์ประกาศกระนั้นเลยนี่ท่านหมายความว่าตัวท่านนะ่ะเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ประกาศแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีน้ำภาพมากเหมือนเขาพระสุเมรินตสูงน่าหกสิบแปดแสนโยชนิยิงกล่าวว่าลูกทั้งหลายพวกเจ้าอย่าทําการเปรียบเทียบเรากับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย นี่ฟังฟังแล้วก็นึกนึกจำจำกับไว้บ้างนะครับใช้ปัญญาพิจารณาด้วยว่าเราจงอย่าตีตนเสมอท่านก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำก่อนที่จะคิดอะไรทั้งหมดให้กำหนดจิตโดยทำสิก่อนว่าเขากับเราเป็นอะไรกันบ้างสม่าเสมอกันไหมนี่ผมเตือนท่านไว้นี่ยครับเพื่อจะได้มีความไม่ประมาท ถ้าประมาทเมื่อไรเขาพังเมื่อนั้นครั้งลั้นดาวบทเรานั่งคิดว่าถ้าบุรุษคนนี้จะได้คนเล็กถ้าบุรุษคนนี้จะเป็นคนเล็กน้อยเราใสถ้าอาจารย์ของพวกเราคงจะไม่ชักสิ่งที่เห็นปานนี้เมาประมาบุรุษผู้นี้จะเป็นใหญ่เพียงไรหนอเขาคิดกันนะครับเมื่อคิดอย่างนี้แล้วเขาทั้งหมดแหละ มอบลงแทบพระบาททั้งสองถวายบั ง, มงคมด้วยเสียข้าวแล้วครั้งนั้นพระอาจารย์กล่าวกับดาบทเหล่านั้นเหล่านนั้ว่าพ่อทั้งหลายทายาธรรมที่สงควรกับสมเด็จประสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามีแล้วไม่ยังเราไม่มีถ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงสำเด็จมาในเวลานี้เป็นเวลาพิคขาจารย์คือเป็นเวลาบาินธรรมบัต พวกเราจะถวา ย, ยทยธรรมตามสตัติตามกำลังตามมีตามได้นั่นพวกเราจงนำผลไม้ที่มีปราณีิเมีรสอร่อยที่สุดที่มีอยู่มาถวายองถ้านำมาแล้วกว็ล้างมือทั้งสองแล้วตั้งไว้ในบาทขององค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยตนเอง พอเมื่อพระสมเด็จ พ, พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับผลไม้แล้วบรรดาทั้งหลายก็โปรยโอชาอันเป็นทิพย์ลงดาบทนั้นได้กรองแม้ซึ่งน้ำถวายได้ตนเองเห็นไหมเทวาดาในายออมม่อมผสมเขาเสมอ เวลาที่ใครเขาจะไวทานแกพระพุทธเจา้าเทวดาท่านก็นย่องย่องย่องเอาของที่โปรยมาเสมอเป็นนาัธรรมาบุญร่วมกันตอนนั้นเมื อ, องค์สมเด็จพระพเ ก, กวันบรมศาสดาสมบัติทัพรมพัฒกิจคือฉันแล้วดาบทนั้นเรียกอันตีวาสิกทัานสิ้นมานั่งกล่าวสารานินยการฐานในที่ใกล้พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า สาลานี้ยักคถานชมนะจะไปนั่งกล่าวบนศาลามาใชอย่างนั้นนะชมชมเชยความดีของพระพุทธเจา้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จว่าขออากาสาวกทั้งสองจงมาพร้อมด้วยบรรดาพิสุทธิ์สงนี่ท่านเล็กเท่า น, นั้นนะพระของท่านก็มาได้อำนาจดิษ์ พระกสาวตถุสองนั้นทราบดําริพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพันนามอนุมัทัสีแล้วก็มีบรรดาพระขี่นาศพคือพระราหารันอย่าลืมนะครับคําว่าขี่นาศก็หมายถึงพระราหารันผมจะไม่แปลสับขี่นาศก็จะแปลก็ได้แปลผู้มีกิเลสอันสิ้นแล้ว บ, บรรดาพระขี่นาศหรือว่าพระราหัน์แสนรูปเป็นบริวารก็มา มาถวายบังคมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้ยืนอยู่นาที่คนส่วนข้างหนึ่งลริดับนั้นสันทนาบทเรียกอันเตวาสิกก็คือลูกศิษย์ทั้งหลายมาแล้วกล่าวว่าพ่อทั้งหลายแม้อาสนะที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งต่ำซ้ำอาสนะสำหรับสมณะตั้งแสงก็ไม่มีพวกเจ้าจง ควรทำพุทธสักการะให้โอโหรันในวันนี้จงนำดอกไม้ทั้งหลายที่ทีบพร้อมไปไดื่มสีและกลิ่นมาแต่เชิงเขาเวลาที่พูดย่อมเป็นเหมือนเวลาเน่นชา้าโดยใส่ริษของผู้มีฤทธิ์เป็นอันว่าดาบททั้งหมดนี่เป็นสู้ทรงปัญญาห้าเป็นผู้มีฤทธิ์ถ้าพูดกันมันจะช้าแต่ความจริงเรื่องผู้มีฤทธิ์แบบเดียวก็ได้ เร่งกล่าวว่าอันบุคคลไม่ควรคิดทำไมอย่างนั้นจําให้ดีนะครับว่าเรื่องของท่านมีฤทธิ์เนี่ยคนอื่นที่ไม่มีฤทธิ์อยากเข้าไปคิดคิดแล้วมันก็บ้าไปอาจินไตเวลานี้มักจะชอบคิดกันวิจารณ์กันทั้งทั้งที่ตนเองแม้แต่สินห้าก็ไม่ครบบางคนก็หาสินไม่ได้เลยก็จะไปคิดเปรียบเทียบอารมณ์ของตนกับท่านผู้มีฤทธิ์ น, น่าสงสาร พูดกันต่อไปเพราะฉะนั้นโดยการเพียงครูเดียวเท่านั้นบรรดาบททั้งหลายเหล่านั้นก็นําดอกไม้ทั้งหลายที่ถึงพร้อมไม่ได้สีและกลิ่งคือกลิ่งก็้อมสีก็สวยมาแล้วตกแต่งอาชนะดอกไม้สําหรับพระพุทธเจ้าประมาณได้หนึยย่งยอดสำหรับพระอาสาวะคงสองประมาณสามคาวุธ ให้สามคาวุธฒิหนึ่งคาวุธิเท่าร้อยเซนนะครับก็300สามร้อยเซนต้องคิดโยอดหนึ่งสี่ร้อยเซนสําหรับอักษรวก300สามร้อยเซนสําหรับพิสูจที่เหลือประมาณแตกต่างกันมีประมาณครึ่งโยอเป็นต้นสําหรับพิสูจใหม่ในสงประมาณสองอสุภะอสุภะหนึ่งยาวยี่สิบห้าวานะ ใครๆไม่พึงคิดว่าในอาสมแห่งเดียวจะตกแต่งอัสนะใหญ่โตได้เพียงเพียงนั้นได้อย่างไรท่านกล่าวว่าเพราะว่าเป็นวิสัยของผู้ทรงฤทธิ์อย่าลืมนะครับ mm hmm. เรื่องของผู้มีฤทธิ์แต่มันทั้งนั้นแหละขวดเล็กๆ ล, ล, ลูกเดียวยังขวดยะนัดผมพระบรรดาพระรหันแสนองค์สามารถจะอยู่ในนั้นพร้อมกันได้ถ้าทรงอภิญา <c oughs> หรือว่าไม่เป็นพระอรหันต์แต่ว่าเป็นพระผู้ทรงอภิญญาก็สา ม, มารถจะอยู่ได้เมื่อตกแต่งอาสนะเสร็จแล้วอย่างนั้นท่านเสลทานนำบดกลยืนประคองอัญชลีคือพนมมือเบื้องพระพักหมายทั้งตรงหน้าองคอง์สมเด็จตระสมาสัมพุทธเจ้าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองค์ทรงสเสด็จขึ้นสู่อัชนะดอกไม้นีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของข้าพระองค์ตลอดลากตีนานเถิดพระเจ้าค่ะ <c oughs> ตอนนี้มีภาสิธิตอนหนึ่งเป็นกล่าวตามมัมบาลีว่าพระเหตุนั้นบุราณาจารย์ยังกล่าวไว้ว่าทถานาบท อ, อนดอกไม้ต่างๆและของหอมหวมด้วยกัน ตกแต่งอาสนะดอกไม้ไว้แล้วได้กระทูลองสมเด็จพระบพิธีแก้ว่าข้าแต่พระวีระอาสนะที่ข้าพระองค์ตกแต่งแลนี้สมควรแด่พระองค์พระองค์เมื่อจะยางจิตของข้าพระองค์ให้เลื่อมใสขอจงประทับนั่งบนอาสนะดอกไม้พระพุทธเจ้าได้ทรงยางจิตของข้าพระองค์ให้เลื่อมใสแล้ว ยังโลกนี้กับเทวโลกให้ล่าเรองแล้วขอจงประทับนั่งบนอาสนะเถิดขอจงประทับนั่งบนอาสนะดอกไม้ตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนเอาเาแล้ว <c oughs> นี่พระพุทธเจ้านะท่านให้นั่งท่านให้พระพุทธเจ้าประทับนั่งเจ็ดวันเจ็ดคืนนะคงจะนอนด้วยกัมังแต่ว่าไม่ได้นะท่านดาบทวกนี้ท่านได้พิญญาห้าท่รงสมาบัตแปด 8. เอเรื่องนั่งเฉยเฉยนอนเฉยเฉยเจ็ดวันเจ็คืนนะ่มันเรื่องเล็กเล็กว่ากันเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็วันและเจ็ดสิบปีเจดสิบเดือนเจ็ดสิบวันมันก็ยังได้มันเป็นของไม่ยากถ้า <c oughs> ไม่มั่นใจแล้วก็ลองกันดูก็ได้ทุกท่านถ้าไม่เชื่อว่าคำที่ผมพูดนี่จะเป็นไปได้จงทาสมาบัตห้าห้ปราอภิญญาห้าปรากฏ แล้วก็ทรงสมาบัดเปดให้ปรากฏเจนว่าผมพูดว่าเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันนี้มันยังเล็กท่านจะคิดว่าน่าจะพูดเจ็ดร้อยปีเจ็ดร้อยเดือนเจ็ดร้อยวันและเจ็ดพันปีเจ็ดพันเดือนเจ็ดพันวันถ้าตั้งจิติฐานด้วยอำนอาจก็บวิญญ า, ญาห้าะสมาบัดแปดมันเป็นของเล็กจริงๆ ล้วคุยกันต่อไปเมื่อบัรดาเมื่อองค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมทับนั่งแล้วรากะสาวกทั้งสองและวิสุทธิเหลือก็นั่งแล้วอยู่บนอัศนะที่ถึงที่สมควรแก่ตนท่านสะท่านดาบทีถือฉัดดอกไม้ใหญ่ยืนกั้นเหนือศีรษะของสมเด็จรตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระศาสดาสมทิฐานว่าขอสการะของพวกชนินนี้จงมีผลใหญ่เห็นไหมผมเคยบอกแกท่านมาเวลาบินาบาัดจะรับบินาบัตอธิฐานให้เจ้าของข้าวเจ้าของแกงเขาพวกมีคุณให้ชีวิตเราว่าขอท่านผู้เมตตาเราจงมีผลใหญ่จงมีความคล่องในความเป็นอยู่จนถึงธําที่องค์สมเด็จโตสัมมาสมัสมพุทธเจ้าทรงบรรลุแล้วในชาตินี้ นี่ท่านเคยทํามาแล้วอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ทําเห็นไหมพระพุทธเจา้าเดชสังเดชฐานว่าขอสการะของชนินนี้จงมีผลใหญ่นี่เป็น ค, คําครอบจําให้ดีนะกินของเขาแล้ ว, ลวจะกินเปล่ารับของเขาแล้วจะรับเปล่าทําจิตให้บริสุทธิ์ตั้งจิตในฐานอย่างนี้ เอาง่ายๆเมาเหมือนพระพุทธเจ้า ก, ก็แล้วกันว่าขอสักการะของท่านผู้นี้ที่ทรงเข้าเราแล้วจงมีผลใหญ่เท่านี้พอ mm hmm. เมื่อพระองค์ทรงจัดอยงนั้นแล้วก็ทรงเข้านิโรธสมาบัติเอาสิแม่ละมลผมเคยบอกให้ฟังแล้วสองอากาศสาวกคนดีพิสูจนที่เหลือก็ดีทราบว่าองค์สมเด็ดปจปัินาศีเข้าสัมนิโรธสมาบัติแล้ว ก็เข้าสมาบัตบ้างก็คือพิญญาคือพระสมาบัติได้พิญญาพระสมาบัตินะครับเพราะท่านได้พิญญาเมื่อพระตัาคตปานั่งเข้านิโรธาสมาบัติตลอดเจ็ดวันผู้อันเตวาสิกเมื่อถึงเวลาเที่ยวไปพิษาบริโภคบูญประราผลในป่าแล้วก็ถือยืนแบกคองอันชรี แด้องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทาั้งหลายตลอดเวลาที่เหลือหมายความเวลาที่เหลือเนี่ยเมื่อเขากินอะไรตรวอไรเสร็จก็มายืนไหวพระพุทธเจ้าตลอดเจ็ดวันเหมือนกันอ่าเราท่านอย่างไรเวลานี้ก็ต้องเห็นเลิกจะต้องเลิกไหวกันพอเวลาหมดเสร็จแล้วนี่ก็รับวันหน้าฟังต่อกันเป็นใหม่ขอความสุขสวัสดีจะมีเดีท่านผู้รับฟังทาน